ง่ายจานวิมล ม, มาใจลอยไปแล้วเดี๋ยววันนี้เขาจะเอารูปหล่อหลวงปู่ดูลยืนนะรูปยืนทำไว้หกเดือนแล้วยังมาตั้งขึ้นแท่นข้างหน้าคุณเบอร์สามมาจากไหนแม่เหรอแม่ยังสาวนะลูกโตไปเรื่อแล้วแม่แม่แมยังดูเด็กอยู่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 เป็นสิ่งที่เราพ้นไปได้แต่ความทุกข์ทางร่างกายในยขณะนี้มีร่างกายขึ้นมาแล้วต้องรับผลร่างกายเป็นวิบากเป็นผลของกรรมในอดีตทำให้เราต้องได้ร่างกายอันนี้ขึ้นมายัางไงก็ต้องรับความทุกข์ไปก่อนแต่ความทุกข์ทางใจเนี่ยเป็นของที่เราผลิตขึ้นมาใหม่สดๆร้อนๆถ้าเรารู้เท่ารู้ทันแล้วก็ไม่ไปปรุงมันขึ้นมา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 ตววัตตะที่ท่านสอนเนี่ยเป็นความหมุนวนนะถ้าพูดเต็มสูตรของมนเลยก็คือปฏิจจสมุปบาฏสายเกิดสายเกิดตั้งแต่อวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารสังขารเป็นปัจจัยของวิญญาณเนะี่ยเริ่มจากอาวิชชาปัจจ ย, ยาสังขาราจนสุดท้ายเลยกนะ็บอกว่ากองทุกข์มันเกิดขึ้นได้เพราะเหตุนี้เพราะเหตุที่มันเกิดสึบต่อกันไป อันนี้พูดเต็มศูนย์ก็ยาวหน่อยแต่ถ้าพูดย่อๆเราก็ย่ออริยสัจลงในอริยสัจแล้วย่อปฏิจจสมุปบาทลงในอริยสัจก็ได้ธรรมะเนี่ยจะพูดให้ยาวก็ได้พูดให้สั้นก็ได้นะแต่ใจความมันเท่าๆกันแต่พูดอย่างย่อๆเนี่ยเพราะมีสมุทัทยมีตัณหาขึ้นมานี่ถึงเกิดทุกข์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 วัตตนนี้ก็หมุนไปเรื่อยๆนะมีทุกข์ก็เลยมีสมุทยัยมีสมุทัยขึ้นมาก็เกิดทุกข์อีกหมุนเวียนไปอย่างนี้ส่วนธรรมะฝ่ายวิวัตตะนะถ้าพูดเต็มสูตรนั้นะคือปฏิจจสมุรปรบาทสายนิโรธล้วนะบอกว่าอาวิชชาดับไม่เหลือเพราะความอาวิชชาดับไม่เหลือนะความปรุงแต่งก็ไม่มีนะไล่ไปเรื่อยๆจนถึงทุกข์มันไม่มี แล้วพูดสิบสองขั้นยาวไปก็พูดย่อๆก็ได้เพอ ร, รู้ทุกข์แจ่มแจ้งเนี่ยสมูทัยเป็นนันถูกลาอตโนมัติเมื่อสมูทัยถูกล่อตโนมัตนี้โรดแจ้งขึ้นในขณะนั้นเลยรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเนี่ยล่าสมูทยัยนี่โรดคือนิพพานก็ปรากฏ ต, ต่อหน้าต่อตานี่ขาดแล้ววิวัตตะนะตัววัตตะความหมุนเวียนมันขาดแต่เดิมเราไม่รู้ทุกข์เราไม่รู้สมูทัยนะ เราไม่รู้จักทุกข์เราไม่รู้ว่ากายในี้ใจในี้เป็นตัวทุกข์เราคิดว่าเป็นตัวดีเป็นตัวของเราก็ดิ้นรนอยากให้มันมีความสุขเนี่ยตัญหามันเกิดธะดิ้นไปใหญ่ยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์ยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกข์เพราะอะไรเพราะสิ่งที่เราดิ้นรนนั้นอ่ะเราปรารถนาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เราปรารถนาอะไรรนะู้ไหมเราปรารถนาที่จะไม่มีไตรลักษ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 จิตของเราเนี้ยมันคันคันตลอดเวลานะดิ้นไปตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้จริงดิ้นดิ้นรนปรุงแต่งไปด้วยถ้ารู้เท่ารู้ทันกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราแล้วคืนโลกเข้าไปความดิ้นรนก็ไม่มีเมื่อใจไม่ดิ้นรนใจเข้าถึงความสงบสุขเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงนิพพานคือสันติสุขนั่นเองสันติลักษณะมีความสุขมีความสงบ งั้นทางพ้นจากวัฏตนะนั้นคือการรู้ทุกข์นี่เรู้ลงมาที่กายรู้ลงมาที่ใจรู้บ่อยๆจะเห็นความจริงแล้วปล่อยวางได้ก็พ้นวัฏตะละถ้าไม่รู้ทุกข์ก็เห็นว่ากายกับใจเป็นตัวเราแลเกิดสมูทไถ่อยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ดิ้นไปเรื่อยๆยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิ้นก็ดิ้นไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบจริงๆธรรมะไม่ได้มีอะไรมากนะมีเท่านี้แหละแต่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 เพ้นปฏิจจสุบาร์จะทำให้แจ้งยากมากนะมันซับซ้อนแล้วเรียนย่อยๆเรียนง่ายๆนะรู้ลงมาที่กายรู้ลงมาที่ใจนี้ย่อยให้ฟังแล้วย่อยแลย้วย่อลงมาก็เรื่องทุกข์เขาเลยมีทุกข์มีสมุทัยนะเขามีทุกข์ขึ้นมาก็เลยมีสมุทัยมีสมุทัยแล้วก็มีทุกข์วัฏะหมุนอยู่แค่นิ่งถ้าอยากมีวิบัติตะพ้นจากวัฏะ ร, รู้ทุกข์เข้าไป คืนกายคืนใจให้โรกสมูทัยดับสมูทัยดับทุกข์ก็ดับอีกนะเพ mm hmm. ราะปฏิจจสมบาทิมันขาดสายตรงนี้เองตรงรู้ทุกข์ mm hmm. ว่ารู้ทุกข์ก็คือละวิชาได้นั่นเอะ mm hmm. ว, วิชาคือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ว่าขันห้ากายใจนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานะแล้วก็ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมูทัยว่าสมูทัยคือตัณหามเกิดเพราะอะไรไม่รู้จัก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 เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่ค่อยได้ฟังเหมืนธรรมมาที่เราเคยฟังแต่ว่าอันนี้ควรทําอันนี้ไม่ควรทําอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนะั้นธรรมมาอย่างนั้นเราคุ้นง่ายงัย้นฟังหลวงพ่อครั้งแรกไม่รู้เรื่องไม่ต้องตกตกใจนะมีซีดีใหนะ้แจกด้วยนะไม่ได้ขายนะเนือเนว่าโฆษณาขายแจกให้ไปฟังมีเคล็ดลับของการฟังคือฟังแล้วห้ามคิด แล้วให้สังเกตใจของเราไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจเราก็เผลอไปเดี๋ยวใจเราก็มาบังคับตัวเองไว้เดี๋ยวใจเราสุขเดี๋ยวใจเราทุกข์ทีฟังแล้วก็สงสัยบางทีฟังแล้วก็เบิกบานเนี่ยซีดีของหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อจะเทศให้มันสวิงสวายหน่อยให้ความรู้สึกมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วหัดดูไปฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็หัดดูสภาวะไปเรื่อยๆซีดีหลวงพ่อรับรองไม่เหมือนใครนะกล้รารับรองหรือจะเหมือนก็ไม่รู้นะ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 ความรู้เข้าเข้าใจจะเปลี่ยนไปตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะแต่ละคนเนี่ยคิดว่าฟังธรรมมาแล้วรู้เรื่องเอี่ยวพวกเราแต่ละคนเคยอ่านอริยสัจสี่นึกว่ารู้เรื่องนะคนที่รู้เรื่องอริยาาสัจสีคือพระอระหันต์เท่านั้นนะของเราไม่รู้เรื่องหรอกเราก็นึกว่ารู้เรื่องถ้าเรานึกว่ารู้เรื่องเราก็ปิดตัวเองอยู่แค่นั้นก็เรียกฉาล้นถ้วยเรียนอะไรใหม่ไม่ได้ละทำใจให้ blank b l a n ไว้ยังไม่รู้อะไรจริงหรอกค่อยๆเรียนไป ถ้ารู้จริงต้องพนทุกข์นะถ้ายัางทุกข์อยู่ไม่รู้จริงหรอกเดี๋ยวเราเรียนว่าขันห้าเป็นทุกข์เคยฟังนะสวดมนต์บางคนทำมัดเช้านะสังกิเ ต, เตนะปัญจุปาทานะขันทาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์แหมสวดเจ๊วๆเลยบางค น, นะถามีใครเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์ไม่มีหรอกเราจะรู้สึกว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างแล้วยังคิดว่าเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้า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 เพราะอะไมันเป็นเส้นทางที่พระพุทธเจ้าห้ามเราดูก่อนพิกซูทั้งหลายทำสองอย่างที่บร่นผชิตไม่ควรเสร็จนะคือความสุดโต่งสองด้านอห น, นึง่งการสุขขันธิการุโยคตามกิเลสไปอันหนึง่งอันตรายธรรมสถานุโยคบังคับกายบังคับใจตัวเองนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยคือนักบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจเบอร์แปดรู้สึกไหมคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหร่ก็บังคับเมื่อนั้นนะ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 ขณะที่เกิดผลก็มีจิตเรียกว่าผลจิตมีจิตตลอดมีสติมีองค์ธรรมฝ่ายกุศลประชุมอยู่ตลอดไม่ขาดสายเลยบูชาเป็นไงบูชาเบือ่อเบื่อกระสงสัยเนี่ยเป็นไม้ตายของกิเลสเอาไว้ปราบพวกปัญญาชนสองตัวเนี้ยถ้าใครสู้ได้นะแล้วสบายละพอเบื่อขึ้นมานะท้อแท้หมดเรีย่ยวหมดแรงไม่ยอมดูแล้วนะ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 ความจิงเบื่อเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตเราเบื่อนะ mm hmm. ค่อยๆดูตรงนี้ไปเ mm hmm. ั้นหลวงพ่อชาสอนดีนะบอกขยันก็ปฏิบัติขี้เกียจก็ปฏิบัติของหลวงพ่อก็ต่อของท่านหน่อยหนึ่งเนะบื่อก็ปฏิบัตินะขยันก็ปฏิบัติคือหมายถึงว่าอะไรเกิดขึ้นรู้ลูกเดียวเลยใจมันเบื่อรั่ว่าเบื่อไปเห็นอี่ความเบื่อไม่ใช่ใจของเรานะความเบื่อเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามา mm hmm. สิงเป็นไงสิง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 รู้สึกไหมสองคนนะจิตมันเริ่มเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วนะดีแล้วสองคนนะฝึกไปส่วนใจญ่ไปติดแต่สมถะครูบาอาจารย์ท่านบ่นนะว่าเอาแต่ทำสมถะไม่ยอมเดินปัญญาจานมหาบัวเนี่ยตอนหลังๆคนไปถามเรื่องสมถะนะบอกไปอ่านอาเอขี้เกียจพูดแล้วพูดมาหลายปีแล้ว ให้มาพูดเรื่องเจริญปัญญามั้เจริญปัญญานี่มีสติซักฟอกลงมาในกายในใจนี่นเรียนรู้อยู่ที่กายที่ใจนี้บนเบอร์เจ็ดสิบเก้าใจลอยไปอีกรู้ไหมใจมันหนีไปแล้วรู้นะนเคยมาที่นี่ไหมฝึกได้ดีสองคนเลยนะใช่ได้นั่นก็ดีใจมันเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วหลงไปแล้วบเบอร์เจ็ดสิบเก้า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 ให้รู้สึกตรงตัวเราที่มีอยู่ตรงนั้นไหมครับอะไรเกิดขึ้นนะรู้ลงปัจจุบันนะไม่ใช่จงใจไปรู้อันใดอันหนึ่งนะรู้ลงปัจจุบันไปเช่นทีแรกความรู้สึกอะไรขุดขึ้นมาเราก็รู้ <c oughs> เสร็จแล้วมีความเป็นตัวเราแทรกเข้ามาเราก็รู้ <c oughs> เสร็จแล้วเกิดดีใจว่า ไ, ไปเห็นตัวเรารู้ว่าดีใจนะเนี่ยรู้ลงปัจจุบันไปอย่าไปจ้องอยู่ที่ตัวใดตัวหนึ่งนะรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยเรื่อรู้ไปสบายสบาย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 จะเข้าใจธรรมะได้นะมีทางเดียวนะลงมือปฏิบัติลงมือดูกายดูใจของจริงเนี่ยฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็สังเกตกายสังเกตใจของเราไปเรื่อยพอใจมันตื่นขึ้นมาจะรู้เลยว่าไอ้ที่งมงายทําอยู่เดิมมันใช้ไม่ได้นะส่วนใหญ่มันใช้ไม่ได้มันติดสมถะันจะเพ่งลูกเดียวอ่ะหรือไม่ก็คิดลูกเดียวคิดคิดคิ ด, คดไปเรื่อยบางคนชอบคิดนะยิ่งคิดถึงมาหาสุญญาตาได้ยิ่งดีใหญ่เนี่ยคิดแล้เพลิน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 มันก็แค่สงบสบายอะค่ะพ่อไ ป, ไปไปสักพักสองาวันออแล้วมันก็มีความรู้สึกอยากอีกแล้วนั่นแะให้รู้ทันนะปัญญามันเกิดขึ้นมาค่ ะ, ะปัญญาเห็นไตรลักษณ์น ะ, ะแต่ถ้าปัญญาแจ้งเต็มที่นะมรรคจะเกิดงั้นทําไปเรื่อยๆแต่อย่าอยากให้มรรคเกิดน ะ, ะถ้าอยากให้มรรคเกิดเขาเรียกมรรคมรร ค, ค, คดีแล้วตูภาวนานได้ดีแล้ว กอ น, า, นาจนพรากลัวเลยนะพาะกำลังนั่งใจสั่นอยู่อ้อาวจูนถามหลวงพ่อค่ะคือหลวงพ่อเคยพูดว่าตอนที่เรานอนนะคะเราไม่ได้บบเวลา<ห>เวลาที่เราหลับอะค่ะออจูนเคยเห็นว่าสภาวะที่ก่อนที่จะมีคอนเชียสมาค่ะ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 จนไมนะ่จนไม่เห็นว่ากายไม่ใช่เราะค่ะ เ, <อ>เวลาในขณะที่เราตื่นแล้วเรารู้ว่รารู้ลงไปที่กายแล้วเห็นกายไม่ใช่เราเนี่ยใช่ๆช่สภาวะสองอันเนี่ยจุนไม่รู้สึกว่ามันใกล้เคียงกันเลยอะคะ่ะมันคนละอันกันใช่ไหยคะรู้ไปเรื่อยๆ <c oughs> เวลาขณะจิตที่ตื่นนะเป็นนาทีทองเลยนะ <c oughs> บางครั้งเราภาวนาจนเราไปติดในสภาวะบางอย่าง <c oughs> ดูยังไงก็ดูไม่ออกไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ แต่ถ้าสติเกิดตอนที่ตื่นนะตอนที่จิตขึ้นมาทำงานเนี่ยจะเห็นเลยจิตเคยยับตัวเข้าไปช่องนี้แล้วก็ปิดค้างอยู่ตรงนี้อนะไรเงี้ยจะเข้าใจมันทีหลังไม่ติดดีแล้วเพราะงั้นตอนที่ตื่นปุ๊บนี่รีบมีสติดีที่สุดแต่สติต้องเกิดเองนี่ค่ะกับตอนนี้จะมีความรู้สึกเหมือนว่า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 สองสามวันวันนี้รู้สึกห้าวหารไหมเออมันห้าวหารเวลาภาวนาดีไม่กลัวครูบาอาจารย์นะเวลาภาวนาไม่ดีก็หลบเสามีเสาเป็นสาระนะ <c oughs> แต่ลูกศิษย์วันนี้แปลกนะกลัวหลวงพ่อนะแต่ชอบมามาแล้วก็ใจตุ้มตุ้มตต่ตไปเรื่อยแต่ก็ชอบมานะเพราะว่าตอนที่กลับออกไปเนี่ย มันจะเจริญขึ้นพักหนึ่งแานวิมลมานใจลอยไปแล้วไปถึงวิมานละกีตา้าเป็นไงว่ามากขึ้นคะดีแล้วนะสองคนดีแล้วนะสองคนนี้หล ว, ง, วงพ่อต้องเล่นบทโหดเลยนะประยเคาะออกมาได้ไป <c oughs> ติดอยู่ได้ตั้งหลายปี ดีแล้วหลุดออกมาแล้วนะส่งไปข้างหลังหน่อยบอยก็พยายามก็เผยยื้อเรื่อยครับแต่ว่าเออก็เสร็จมัดมานี่ๆเพวกลูกศิษย์เก่าอย่างเงี้ยพูดคำว่าพยายามนะจะรีบถอนไปเปลี่ยนไม่กล้าพูดคำว่าพยายามเหลือบ่อยไหม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 เรียนอยู่วันที่สองพอวันที่สามมาท่านเรียนอยู่สามวันวันที่สามมานะตื่นมาเต็มที่เลยท่านบอกท่านเห็นเลยว่าชั่วโมงหนึ่งนี้ท่านเผลอต้งร้อยกว่าครั้งชั่วโมงละร้อยกว่าครั้งถ้าเก่งกว่านั้นจะพบว่านาทีหนึ่งก็หลายครั้งห้าวินาทีอเผลอได้หลายครั้งนะค่อยๆดูเรื่อยๆสติทียิบทียิบขึ้นมาแต่ฟังแล้วอย่าท้อใจนะเบอร์สิบอ่ะ ฟังแล้วอย่าไปท้อใจนะ <c oughs> <c oughs> อ๋อได้วันละครัก็ไม่เป็นไรวันละครั้งก็ดีแล้วแต่เดิมไม่เคยมีเลยแต่เดิมไม่เคยมีเลยแล้วนี่ได้หนึ่งครั้งนี่พัฒนามากนะต่อไปได้วันละสองครั้งนี่เพิ่มร้อยเปอร์เซ็นเนอ่ถ้าได้สี่ครั้งอีกวันหนึ่งสี่ครั้งได้อีกร้อยเปอร์เซ็นตละเห็นไค่อยๆเรียนไปอย่าท้อถอยนะ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 เพื่อนใครนะเพื่อนลีครับหมอเพื่อนหมอรีเอ้เพื่อนลีมันมีหมอลีคนคก็การปฏิบัติตอนนี้ก็มันไปผมว่ามันอยู่ที่ความว่างาเดี๋ยวไปเอาความว่างครับพรนะเจ้าไม่เคยสอนนะเราจะไปเอาปลายทางให้เราทําต้นทางต้นทางคือการรู้กายรู้ใจรู้ทุกข์นั่นแหละความทุกข์อยู่ที่ไหนดูไปที่นั่นตัวเราอยู่ที่ไหนดูลงไปตรงนั้นนะ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 พอใจเราไประลึกอยู่ที่กายเนี่ยค่ะเรารู้สึกเหมือนกายมันหายไปเนี่ยการปฏิบัติยังถูกต้องอยู่หรือเปล่าคะหรือว่าผิดไประลึกที่กายแล้วกายหายไปใจอค่ะไประลึกที่กายอะค่ะแล้วกายมันหายกายมันหายค่ะอ๋อระลึกกายแล้วทําไมกายหายอ่ะก็เลยงงว่าผิดผิดที่ระลึกเนี่านะคมันจะรู้สึกว่ากายนี้มนมันไม่ใช่ตัวเรา ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนแต่ไม่ใช่ว่าสูญหายไปนะคือยังเห็นนะคะแต่เออยังเห็นอยู่แต่ว่าอยู่มันว่างเปล่าจากความเป็นตัวเราเนี่ยแหะค่ะคือถูกแล้วคือเห็นนะเห็นอยู่ค่ะแต่ว่าไม่รู้สึกอะไรอย่างนี้ค่ะเออไม่อย่างนั้นถูกแล้วอ๋อยังถูกอยู่ใช่ไหมคะและที่ปฏิบัติที่ผ่านหมาก็ยังต้องใช้ได้อยู่ทําบ่อยๆไ่มคะฮะยังเพ่งอยู่มากไหมคะนิดหน่อยนี่ล่ะมาจากไหน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 ที่สามดูท้องพองยุบเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานี่เป็นวิปัสสนารู้กายดูท้องพองยุบอย่างที่สี่จิตหนีไปก็รู้จิตจะทําอะไรก็รู้รู้เท่าทันจิตตัวเองไปเรื่อยๆนี่เป็นการทําวิปัสสนาดูจิตยกเท้าย่างเท้าก็เหมือนกันนะถ้ายกเท้าย่างเท้าแล้วใจลอยไปใช้ไม่ได้เลยนี่อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองเข้าไปเพ่งเท้าอย่างที่โยมเป็นเพ่งจะกระดิกคลิกๆๆไมีเห็นหมดนะ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 คือคุดไปแรกๆเนี่ยน้ำก็ไหลออกมามีขี้โคลนปลนมาด้วยก็ให้มันไหลขี้โคลนไหลไปเรื่อยๆจนถ้าน้ำใสออกมานี่อันนี้หมายความว่าไงครับผมก็ใครสอนนะ่ะไปถามท่านสิ <c oughs> ธรรมะนะมันเฉพาะตัวนะท่านเปรียบเทียบอะไรก็ก็ต้องไปถามท่านดูที่จริงก็คือเวลาที่เราหัดรู้หัดดูเนี่ยเบื้องต้นอ่ะมันดูได้ไม่หมดจดหรอก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 แต่ว่าพอปฏิบัติไปอ่มันรู้สึกว่ามันพุ่งขึ้นมาอจางที่เราไม่เคย เ, เห็นนะครับเออกิเลสเยอะฝนะึกไปเรไดเรด้ใจก็เลิกปรุงเสร็จแล้วเลยได้น้ำใสใสมาพอได้น้ำใสใสมาเนี่ยได้กุศลมาละตายอยู่ตรงบ่อน้ำนี่แหละปรุงปรุงชั่วเราไม่เอานะปรุงชั่วไม่ดีอยู่แล้วปรุงกิเลสไม่ดีปรุงกุศล น, น่ะดี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 เออเป็นจิตชนิดหนึงตัวหลงนะหลงก็เป็นจิตอีกอย่างหนึ่งมันหลงือคือจิตเนี่ยนะจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์นี่นิยามของคาว่าจิตนะงั้นตัวที่ไปรู้สิ่งต่างๆเนี่ยเรียกว่าจิตนะเรียกว่าจิตนิ่จิตเนี่ยบางครั้งก็ประกอบด้วยกุศลบางครั้งประกอบด้วยอกุศล น, นะถ้าประกอบด้วยสติประกอบด้วยสมาสมาธิประกอบด้วยปัญญาอะไรเงี้ยเราก็เรียกว่าจิตผู้รู้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 คือคือจิตมันรู้อารมณ์ได้ครั้งอันเดียวรู้ได้ครั้งได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่สติตัวจริงเกิดนะเราไม่พูดแล้วว่าสายไหนนะสายกายสายจิตอะไรนี่มันเบื้องต้นหรอกถ้าสติตัวจริงเกิดแล้วบางครั้งก็รู้กายบางครั้งก็รู้จิตเลือกไม่ได้อะไรนะใช่ใช่ใช่อมันจะสลับไปเรื่อย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 ใจจะแข็งชื่อใจที่แข็งชื่อเป็นอกุศลนะรู้ความรู้สึกถนัด ก, ก็รู้ไปแต่ถามว่าไม่รู้กายจริงหรือไม่จริงถ้าไม่รู้กายก็เดินตกท่อไปแล้วนะ อ, อ, อ, อ๋อนี่ถามแทนแม่บางวันนะมีพ่อถามแตนรูปมาอยู่ได้กันป่ะต่นี้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 อยากพ้นทุกข์ไปลงมือปฏิบัติลงมือทําอะไรต่ออะไรแล้วก็ได้รับความลําบากทั้งมากมายเหน็ดเหนื่อยมากทรามาณก็อุตส่าห์อดทนนะเพราะรักดีรักศาสนารักเคลื่อมใส่พระพุทธเจ้าพระสงฆ์คนความลําบากมากมายแท้จริงถ้าเราศึกษาให้ดีซะ ก, ก่อนเราจะไม่ลําบากมากนักเพราะพระพุทธเจ้าท่านลําบากมาให้เราแล้วลําบากมาก่อนเราพ้นกว้ายากลําบากนะ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 ปัญญาวิมุตตวิมุตต์แดนทัศนาจะเกิดตามขึ้นมาเป็นแถวเลยเพราะฉะนั้นจุดตั้งต้นเนี่ยอยู่ที่ว่าหัดสังเกตสภาวะไว้หัดสังเกตสภาวะมากๆต่อไปสติจะเกิดในพระพิ ธ, ธรมสอนบอกสติมีการจำสภาวะทำได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเะั้นเราต้องหัดรู้สภาวะเรารู้สภาวะแล้วสติจะเกิดเองสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นตามมา วิธีหันรู้สภาวะก็ไม่ยากอะไรเคยฝึกกรรมฐานอะไรก็ฝึกอย่างเก่าดูท้องพองยุบไปใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งก็รู้นะฝึกไปอย่างเนี้ยเ๋ยุสติก็จะเกิดขึ้นเองพอสติกเกิดนะจิตใจจะโล่งเลยปลอดโป่งโล่งเบาสบายอา้าววันนี้พอแค่นี้นะเดี๋ยวหลวงพ่อจะชวนพวกเราไปดูเายกพระ